สาธชนทุกท่านการบรรยายในวันนี้นะคงจะไม่ใช่เป็นการเทศนามาเพราะว่าอาตมาอยากให้เป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันมากกว่าแต่ก่อนอื่นก็ต้องยอมรับนะว่าตื่นเต้นน้อยในการที่จะมาบรรยายที่นี่นะเพราะว่าตั้งแต บวชมาเมื่อสาสิปีที่แล้วเนี่ยก็ไม่เคยเข้าโรงมาอีกเลยเพื่อบรรยายลนานักษณะนี้มีแต่ฝันนะว่าได้ลอกเข้ามาในโรงหนังแอบ ด, ดูหนังขณะที่ย อ, ทอยู่พรองจีวรอยู่นั่นคือความฝันฝันจริงนะคือฝันตอนหะลับแต่ไม่ใช่เป็นความฝ่ยฝันะอันนี้ก็ แต่ว่ามาถึงวันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ไม่ได้คิดฝันเหมือนกันว่าจะได้มาพูดตรงนี้แล้วก็ยังรู้สึกดีใจว่ามีโรงหนังใหญ่ๆอย่างนี้อยู่เพราะว่าเขาจะได้ทราบตอนในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาตอนที่ทำหงพนี่ยเขาบอกว่างหนังมันเล็กลงเล็กลงอัตมาในตอนเด็กเนี่ยเคยดูแต่โรงหนังจอใหญ่ๆเฉลิมไทยเฉลเิมเทสกาล่า แล้วก็รู้สึกว่าโรงใหญ่นี่มันให้บรรยากาศในการดูความรู้สึกในการดูที่ดีมากนะก็ไม่คิดว่าอยู่ในโรงใหญ่ๆขนาดนี้นะโรงเหลืออยู่นะในกรุงเทพหรือว่าในประเทศไทยอันนี้ก็เป็นความล่าหลอัตามานนะเพราะว่าไม่ได้มาเจอบรรยากาศที่มา30ปีแล้วคืบอบวชตั้งแ่ปี26เรื่องที่เราจะดูกันในวันนี้เนนะ แม้มันจะยาวแต่ว่ารวมสาระสำคัญนะที่เราจะคุยกันก็เป็นเรื่องของชีวิตนะมนนษย์ทุกคนเนี่ยนะย่อมปรารถนาความสุขในชีวิตนะแต่ว่าอะไรคือความสุขที่เราแสวงหา ผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยคิดว่าจะมีความสุขก็ต่อเมื่อมีทรัพย์สินเงินทองมีความมั่งคั่งร่ำรวยดวงการมีชื่อเสียงกติยศแล้วก็สถานภาพสิ่งเหล่านี้เนี่ยให้ความสุขกับเราก็จริงอยู่นะแต่ว่ามันเป็นความสุขที่งอนงางนงนงานก็เพราะว่า มันไม่เที่ยงถ้าเราเอาใจไปฝากไว้ไปยิงกับความสุขหรือสิ่งเหล่านี้เนี่ยความสุขที่ได้นะจะเป็นความสุขที่งอนแง่นคลอนคลานไปด้วยเพราะว่ามันไม่เที่ยงเงินทองที่เรามีวันดีคืนดีมันก็อาจจะละลายหายไปนะเพราะว่าค่าเงนิน ตกหุ้นตกหรือว่าเียนเป็นปายที่ทำให้อเงินที่เรามีเนี่ยนะสูญหายไปสถานภาพตำแหน่งมันก็ไม่เที่ยงนะมันแปลเปลี่ยนไปไม่มีใครที่จะประสบความสำเร็จไปได้ตลอดเมื่อเช้านี้เราก็ทาบไนใช่ไหมะว่าสเปนตกลอไปแล้ว สเปนนี่ก่อนที่จะมาบราซิลนี่ได้เชื่อเป็นทีมฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในช่วงทศวรรษนี้เพราะว่าได้แชมป์ยุโรปแล้วก็ได้แชมป์โลกแล้วก็ได้แชมป์ยุโรปกครั้งหนึ่งไม่มีทีมไหนประเทศไหนที่ทําได้อย่างนีนะ้ทำลายสถิติของแชมป์ยุโรปและแชมป์โลกนะที่ผ่านมานะแต่ว่าวันนี้ก็ ตกอกไปแล้วไม่ได้คะแนนเลยนะอันนี้มันสัตธรรมนะก็คือว่าให้ความสําเร็จหรือว่ า, าชื่อเสียงสถานภาพเนี่ยมันไม่เที่ยงเลยไม่มีใครที่จะสําเร็จคำฟ้าแม้จะเนียนหน้ายิ่งใหญ่เพียงใดในที่สุดก็ต้องลงจากอํานาจถ้าไม่ลงเอง ตามวาระก็อาจจะถูกเขาใช้ภาษาไม่สุภาพคืถีบลงอย่างประธานาธิบดีประธานาธิ บ, บดีอียิปต์นะบูบารักเป็นประธานาธิ บ, บดีที่ครองอานาจการมาเหนือชีพผู้คนมาสามสิปีแล้ววันนี้คืนนี้ก็ต้องถูกบังคับให้ออกจากอำ น, นาจอันนี้มันเป็นธรรมดาเลยนะ ถ้าเราเอาความสุขของเราไปผูกติดกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยความสุขของเราจะมัน่นแน่นเพราะสิ่งเหล่านี้มันไม่เที่ยงใช่แต่เั้านั้นเนี่ยมันยังเป็นภาระด้วยเป็นภาระที่ต้องดูแลเป็นภาระที่ต้องรักษา mm hmm. เงินที่เรามีเราก็ต้องคอยเอาใจใส่เพื่อไม่ให้ใครมาลักเอาไปกุมาเอาไปชื่อเสียง ศาสนาภาคตำแหน่งก็ต้องค อ, อยระลับร้องว่าจะมีคนมาเลื่อยขาเข้าอี่้ไหมนะไอการที่ได้อำนาจหรือได้สถานภาพเนี่ยยากก็จริงอยู่แต่การที่จะรักษาไว้ได้นานเนี่ยเป็นเรื่องยากกว่านะอันนี้เป็นที่รู้กันดีไอพาราเหล่านี้เนี่ยมันก็ทําให้ทุกด้านกันนะครับ มันมีสุขก็จริงแต่ความทุกข์ก็ไม่น้อยสมัยหนึ่งเนี่ยนะเคยมีหนุ่มคนไปหาหลวงปู่ดู่พรหมปันโยวสแกร์อธุธยาใครที่อยู่ในวงการพระนี่ก็ย่อมรู้จักหลวงปู่ดูทํารับน้ำพระไปหลายปีแล้วหลวงปู่ก็ถามว่ามาทําไมแกก็บอกว่าเนี่ยเพิ่งไปเช่าพรงมาหลวงปู่ก็ถามว่าเช่าทําไมบอกอยากรวยครับ หลวงปูก็เลยพูดว่ารวยกับซวยที่มันใกล้กันนะชายหนมนั้นก็งงหมายความว่าอย่างนไรหลวงพ่อคิแหละท่นานบอกว่ามันเขียนคล้ายๆกันแต่แล้วท่านก็อธิบายว่าเนี่ยรวยที่มันซวยไะบางคือนั่นต้องเหนื่อยในการรับเหนื่อยในการหาหาแล้วก็ต้องเหนื่อยในการรักษาแต่รักษายัางไงมันก็ต้องมีวิ่นมีแบงมีสูนยายไปถึงตนนัวแม้ก็เสียใจนะ ทุกเพราะสูญเสียมันไปมันเป็นภาระที่ทำให้เกิดทุกข์ น, นี้คือคือคือถึงบอกว่ามันไม่เที่ยงและมันเป็นภาระและประการต่อมาคือว่าที่มันไม่ใช่ความสุขที่แท้เพราะว่าได้แล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่พอใจหลัอยากได้อีก คนเรามีเท่าไหร่เนี่ยถ้าวางใจไม่เป็นนะก็ยังทุกทุกเหตุเหตุผลที่ทุกประการคือเพราะอยากได้ดีกนะจะว่าไปแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยความสุ ข, ขงคนเราเนี่ยมันอยู่ที่การได้มากกว่าการมีนะคุณมีเสื้อผ้ากี่ตัวก็แล้วแต่คุณมีรองเท้ากี่คู่ก็แล้วแต่มันก็ยังไม่ทําให้คุณมีความสุขจนกว่าคุณจะได้คู่ใหม่ได้ตัวใหม่ คุณจะมีดวีดีซีดีกี่แผนก็ตามเป็นร้อยเป็นพันมันไม่ทำให้คุณมีความสุขมากเท่ากับตอนที่คุณได้แผงใหม่มาคุณมีร้อยล้านพันล้านมันก็ทาไม่ทำให้คุณมีความสุขมากเท่ากับตอนที่คุณได้ล้านอีกล้านมันเพิ่มเติมเข้ามาอาตมาเคยนะทดลองดูเวลาบินธบานี่นะพระหมากรจะค่อยมันก็จะตามมาอัตมาก็โยนข้าเดียวให้มันก้อ น, นมันงับ มันไม่ทันจะกินเลยตมาโยนข้าหนีอีกก้อนห่งามไปมันข า, ายก้อนแรกแล้นะแล้วมันไปงับก้อนที่สองทั้งที่ก้าวเหนือวข้างเหนือเดิมนั่นแหละทําไมเพราะมันชอบของใหม่มากกว่าของที่ของที่มีอยู่เอ๊ะตมาก็หัวรอะนะแต่มาคิดดูเฮ้ยคนเราก็เหมือนกันเลยนะไอ้ของที่เรามีเราไม่ค่อยชื่นชมและพิเศษมากกว่าของที่ได้มาใหม่และไอ้ไ การที่เราไม่รู้ทันความอยากตรงนี้มันทำให้เราทุกข์แล้วเพราะเหตุนี้เนี่ยแม้เราจะได้โชคได้ลาภมาก็ทำให้เราทุกข์ได้คนเราไม่เชื่อความสุขของเราเนี่ยอยู่ที่การได้สิ่งดีๆมาแต่อัตมาว่าไม่ใช่ความสุขของเราเยอยู่ที่ว่าเรารู้สึ ก, กมันอย่างไรคุณได้โชคได้ลามาแต่คุณวางใจไม่เป็นคุณก็ทุกข์ ย่าไม่ต้องพูดถึงการไม่การเสียไปนะเอาแค่ว่าการได้มานะถ้าคุณวางใจไม่เป็นมองไม่ถูกคุณก็ทุกข์เพื่อตา ม, มาเนี่ยเป็นนักเล่นหุ้นแต่ตอนที่เลิกไปและหรือว่าเล่นน้อยลงที่เป็นนักเล่นหุ้นก็เพราะว่าอยากจะรวยแต่แกก็ยอมรับนะว่ามันต้องยอมแลกก็คือว่าถ้าอยากได้เงินก็ต้องยอมเสียความสุข แต่ตอนนี้นะได้เงินมาพอแล้วเอาความสุขดีกว่าก็เลยเลิกหรือว่าเพลาลงแกก็พูดกับพูดกับว่ากับคนที่นักเล่นหุ้นว่าเนี่ยถ้าอยากได้เงินก็ต้องยอมเสียความสุขนะแต่ถ้าได้เงินมาพอสมควรแล้วเอาความสุขดีกว่าเพิ่อนี้ก็เล่า ว, ว่าวันหนึ่งได้เจอคุณป้าคนหนึ่งที่ตลาดหุด้นคุณป้า น, นี่แกก็ใช้ชีวิตอยู่กับทั้งวันกับตลาดหุ้นนั่นแหะซื้อถูกขายแพง นะอันนี้อาจจะเป็นคนที่เราเรียกว่า ม, มนุษย์ป้าก็ได้มนุษย์ป้าอยู่ในตลาดหุ้นเยอะเลยนะคุณป้าก็บอกว่าคุยไปคุยมาแกก็เราว่าแกเพิ่งขายขึ้นไปตัวหนึ่งเมื่อสองสาวันก่อนได้กําไรสิบล้านเพื่อตรมาก็บอกว่ายินดีด้วยครับคุณป้าแกบอกว่ายินดีอะไรกันล่ะถ้าฉันขายหุ้นวันนี้ฉันได้กําไรแล้วยี่สิบล้านคุณป้าไม่มีความสุขนะที่ได้สิบล้าน สิบล้านนี่มันยิ่งกว่าถูกล็ตต์ตัวเลขวันที่หนึ่งนะแค่ไม่มีความสุขไม่ดีใจกับเสียใจใช่รือว่าร่วงขึ้นคุณป้าก็ไม่มาที่ตลาดหุ้นเพื่อจะมาขึ้นเลยไปถามมาร์เก็ตติง้งซึ่งเป็นซึ่งคุณป้าคนี่เป็นลูกค้าว่าคุณป้าหายไปไหนได้คำ ต, ตอบว่าคุณป้าเข้าโรงพยาบาลแล้วานะหมครัไมถึงเข้าโรงพยาบาลเครียดเครียดที่ไรแค่สิบล้านทอไมคุณป้าเครียดนะ อาจจะบอกคุณป้าได้เท่าไหร่ก็ไม่พอแต่มาคิดว่าที่คุณป้าเครียดที่คุณป้ามีความทุกข์ก็ครอบครไม่ได้คิดว่าแกได้สิบล้านแกคิดว่าแกเสียสิบล้านใช่ไหมฮะแกไม่ได้คิดแกได้สิบล้านคิดแค่แกเสียสิบล้านแกเลยทุกข์เนะเห็นไหมฮะถึงแม้คุณจะได้เท่าไหร่เนี่ยแต่ถ้าคุณมองไม่เป็นนะคุณก็ทุกข์คุณได้สิบล้านแต่พอคุณคิดว่าคุเสียสิบล้านเนี่ยคุณทุกข์เลย คุณได้บนนัสมาสามสานห้าแสนแต่ถ้าเพื่อนแต่ถ้าร่วบเพื่อนได้เจ็ดแสนเนี่ยคุณทีแรกอาจะดีใจแต่พอร่วบเพื่อนได้เจ็ดสารคุณเป้าเลยนะเพราะคุณรู้สึกว่าคุณขาดไปสองแสนมันอยู่ที่มุมมองฮนะถ้าเรามองว่าเออได้จนเยินนะคุณก็มีความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ย ความสุขคนเราเนี่ยมันไม่ได้คิดว่าคุณได้อะไรมาแต่อยู่ที่ใจของคุณว่าคุณรู้สึกอย่างไรคุณมองอย่างไรให้ความมุมมองแบบนี้แหละที่มันไปโยงถึงความสุขในการทำงานด้วยความสุขในการทำงานไม่ได้คือว่าคุณทำงานอะไรมากถ้ากิดว่าคุณรู้สึกกับงานเป็นอย่างไรบางคนคิดว่าถ้าได้ตำแหน่ง ที่สูงมีรถประจำตําแหน่งมีเงินเดือนเยอะคุณจะมีความสุขอันนั้นไม่แน่ถ้าว่าคุณคิดว่าคุณยังคุณยังคอยเปรียบเทียบคนอื่นว่าเพื่อร่วมชั้นเขาได้เงินเดือนมากกว่าคุณเขามีรถประจำตําแหน่งที่รู้กว่าคุณคุณก็ไม่มีความสุขอยู่ดีในางตรงข้ามคุณแม่คุณได้ได้งานที่ดูไม่สําคัญแต่คุณ เห็นคุณค่าของงานนั้นคุณเห็นว่างานนี้เนี่ยมันมีประโยชน์คุณก็สามารถจะมีความสุขกับงานนั้นได้แม้ว่าจะเป็นงานเล็กแม้ว่าจะเป็นงานงานที่ดูไม่ฉากระคัญคุณหมอคุณมึงแกเล่าฟังว่าเคยลากับราชาการไปช่วยงานที่บ้านซึ่งเป็นบริษัทยญ่ บริษัทนี้นี่ก็มีรถเข้าออกเยอะทุกวันแล้วก็สังเกตว่ามีพนักงานคนหนึ่งเรียกว่าคุณลุมก็แล้วกันเพราะแกทำงานมานานแล้วทํางานบริษัทของคุณพ่อมานานแล้วแล้วก็เฉพาะเฉพาะตำแหน่งที่เป็นที่แกทำตอนนี้เนี่ยคือเป็นพนักงานห้ามรถนะพนักงานคุมรถเข้าออกเนี่ยในบริษัทเนี่ยแกก็ทํางานมาสิบกว่าปีแล้วงเงินเดิอนก็ไม่มาก งานก็ดูน่าเบื่อนะแต่ว่าแกกระตือรือร้นมากในการทำงานกระฉับกระเฉงเพื่อจา ม, มาอคุณหมอเนี่ยก็เลยวันนึงก็เลยไปคุยกับแกรุงทำงานตรงนี้เมากิ่ปีแล้วสิบกว่าปีแล้วคุณหมอโอ้ลุงไม่เบื่อแล้วเนี่ยคุณลุงตอบว่ามันจะเบื่อยังไงครับคุณหมอ ผมอยู่ที่นี่เนี่ยเวลาบอกให้รถหยุดรถทุกคันก็ต้องหยุดนะ้กระทั่งรถของคุณพ่อคุณหมอคือผูคคอค้คือเจ้าของนะต่อเมื่อผมสั่งให้เข้ามาเนี่เข้าได้รถทุกคันเนี่ยต้องฟังผมนะตั้งแต่หัวตั้งแต่บนจนล่างในบริษัทท้งฟังถ้านะเพียงแค่นีก้ก็มีความสุขแล้วพราะแกสู้ว่าที่งานที่แกทำเนี่ยมันสําคัญนะ จะมองใ น, นแง่ว่ามันช่วยเติ ม, เ ต, ม, มเติมความเติมความรู้สึกภาคผูกใจในคุณค่าของตัวด้วยก็ได้คุณลุงคนที่มีความสุขกับงานไม่ใช่เพราะว่าเป็นงานที่สําคัญไม่ใช่เป็นเพราะว่าเป็นงานที่มีเงินเดือนแต่เพราะว่าแกเห็นคุณค่าแกสึว่าเป็นงานสําคัญ แต่ว่าสิ่งที่แกทำเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อบริษัทเป็นสําคัญอย่างหนึง่งที่อเมริกาทมีเรื่องเล่านะฮะว่าเมื่อประมาณปีพันเ ก, กเนี่ยก็คือ50กว่าปีที่แล้วเนี่ยปีนั้นสำคัญก็เพราะว่ารัเสเซียเนี่ยสามารถที่จะส่งยานอาวกาศไปโคจรรอบโลกก่อนหน้าอเมริการัเสเซียเป็นคอมมิวนิสต์แต่ว่าเทคโนโลยีด้านอาวกาศเนี่ยไปไกลกับอเมริกาอเมริกาเสียหน้ามาก จึงมีประกาศเป็นวาระของชาติเลยเคนเนดีประกาศว่าอเมริกาจะเป็นประเทศแรกที่จะส่งมนุษย์ไปดวงจันทร์ก่อนรัเสเซียมีการตั้งองค์การนาซาขึ้นมาเพื่อผลักดันวาระพิเศษนี้โดยเฉพาะผู้คนกระตือรือร้นมากพระรู้สึกว่าเสียหน้ารัเสเซียมีนักข่าวคนหนึ่งไปไปที่องค์การนาซาจะไปสัมภาษณ์ผู้บริหาร ไปแต่เช้าก็เห็นคุณป้าคนหนึ่งแกทำความสะอาดเช็ดถูกแกดูกระตือรือร้นมากนักข่าวสนใจก็เลยถามว่าคุณป้าทำไมกระตือรือร้นทำไมกระฉับเฉงแกก็บอกว่าฉันอยากจะช่วยประเทศชาติให้สมดึกไปดวงจันทร์ ว่เธอไปไกลนะที่ไปไกลเลยนะเธอคิดว่าสิ่งที่เธอทำเนี่ยมีความสําคัญที่จะช่วยให้ประเทศเนี่ยสามารถจะชนะรัเสเซียได้ในการพามนุษย์ไปถึงดวงจันทร์เธอไม่ได้คิดว่าเธอทําเพื่อเงินเดือนไม่เท่าไหร่เธอไม่ได้มองแค่นั้นเธอมองไปถึงว่าเป็นการช่วยประเทศชาติเมื่อเธอคิดแบบนี้เธอก็ช่วงานที่เธอทําสําคัญ แล้วเมื่อเธอรู้สึกเช่นนั้นเนี่ยก็เธอก็เลยมีความสุขกับการที่ได้ทํางานไอ้ความความสุขจากการทํางานเนี่ยนะมันอยู่ที่มุมมองมันอยู่ที่ว่าคุณให้ค่ากับงานนั้นอย่างไรมันอยู่ที่คุณรักงานนั้นไหมคําว่ารักเนี่ยเช่นรักงานเนี่ยพุทธศาสนาใช้คำว่าฉันทาฉันทาคือความรักในงานรักในการเรียน ไฟรู้อันนี้รวมเรียกว่าฉันท์ัศและคุณจะรับงานได้ก็เพราะคุณเห็นคุณค่าของงานถ้าคุณให้คุณค่ากับงานใดงานนั้นก็จะกลับมาให้คุณค่ากับคุณแต่ถ้าคุณไม่ให้คุณค่ากับงานนั้นแม้จะเป็นงานใหญ่งานสําคัญงานนั้นก็จะไม่ให้คุณค่ากับคุณงานจะให้คุณค่ากับเราแค่ไหนที่ว่าเราให้คุณค่ากับงานนั้นเพียงใดนะมันเป็น มันเป็นสิ่งที่ผกผันสัมพันธ์กันและเวลาที่เราการทํางานเนี่ยถ้าเรามีมุมมองนะมีการวางใจที่ดีมันทําให้เราทํางานมีความสุขและความสุขนั้นเนี่ยมีส่วนนําไปสู่ความสาําเร็จพวกะเราเวลาทํางานต้อง ก, การความสําเร็จใช่ไหมฮะแต่ความสําเร็จส่วนนึงเนี่ยเกิดขึ้นอยากว่าเรารางงานแค่ไห น, น มันอยู่ที่ทัศนคติที่ใจของเราเวลาทำงานเนี่ยเราต้องใช้สามอย่างหนึ่งใช้สมองสองใช้มือหรือฝีมือสามใช้ใจสมองเกี่ยวกับเรื่องความรู้นะเดี๋ยวนี้มีทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องบริหารมากมายคนที่จะทำงานบริหารก็ต้องรู้จักเรื่อง management tools เยอะแยะไปหมด s ค r t a s สวอตใช่ไหมบาลานซ์ส c อ r ครอะไรสารพัด ต้องใช้ความรู้นะต้องใช้ฝีมือคือทักษะแต่สิ่งที่คนมักจะมองข้ามคือใจหรือหัวใจหัวใจมันไม่ใช่เพียงแค่แทําให้มีความสุขกับการทํางานแต่มันทําให้งานสําเร็จด้วยการทํางานที่ให้ที่สําเร็จได้เนี่ยมันต้องอาศัยทัศนคติต้องอาศัยใจเป็นตัวประกรอบอย่างสําคัญด้วย ทัศสักติเช่นอะไรบ้างที่กรรมาก็พูดเรื่องความรักในงานทัศสักติอีกอันหนึ่งที่สำคัญก็คือการที่ความรักในในองค์กรความรักในเพื่อนร่วม ง, งานความสุขไว้ใจเพื่อนร่วม ง, งานซึ่งนำไปสู่การทำงานเป็นทีมเวิร์นะ อันนี้เป็นส่วนหนึ่งของของทัศนคติที่จะทำให้งานเนี่ยทั้งสำเร็จแล้วก็มีความสุขการที่คนคนหนึ่งเนี่ยเพียงแค่มีความฉลาดปราดเปรื่องสมองคิดเกง่งฝีมือดีมันยังไม่พอนะกับการกับความสำเร็จมันต้องใจด้วยนะนักฟุตบอลนะที่เก่งเนี่ยนะ เขไม่ใช่เก่งเพราะว่าเขาฉลาดอย่างเดียวไม่ใช่เก่งเพราะว่าเขาเขามีทักษะอย่างเดียวแต่ว่าใจด้วยความสเล็ตนัฟุตบอลหรือว่าความเก่งนัฟุตบอลนี่ดูตรงไหนฮะส่วนหนึ่งดูตรงที่ว่าตอนเตะลูกโทษนะตอนเตะลูกโทษการเตะลูกโทษเนี่ยมันไม่ได้แค่ใช้สมองไม่ได้แค่ทักษะแต่มันใช้ใจ เขาพบว่าเขามีการศึกษาวิจัยในเรื่องการเตะลุกโทษเนี่ยว่าอะไรทํำให้เตะลูกโทษไม่เข้าทั้งที่มันน่าจะเป็นจุดที่เตะง่ายที่สุดเขาพบว่าคนที่เตะลูกโทษไม่ค่อยเข้ารู้ก็เพราะหนึ่งเนี่ยคอยคิดถึงแต่ความผิดพลาดที่เคยผ่านเช่นถ right. ้าคุณเคยเตะลูกโทษพลาดเมื่อครั้งที่แล้วหรือสองครั้งที่แล้วเนี่ยโอกาสที่คุณจะเตะลูกโทษพลาดอีกคุณก็จะมีหรือสองเนี่ยคุณเป็นห่วงภาพลักษณ์คุณคิดไปว่าถ้าคุณเตะผิด เต่พลาดเนี่ยจะถูกสื่อมวลชนจะถูกมาจะถูกคนดูต่อว่าแล้วคนที่จะรู้สึกตรงนี้มากเป็นพิเศษเนี่ยคือดาราซุปเปอร์สตาร์นะก็พบว่าสถิติที่เขาทามาบอกว่าคนที่เป็นดาราเนี่ยมีโอกาสเตะลูกโทษเนี่ยผิดมากกว่าหรือพลาดมากกว่าคนทั่วไปเพราะอะไรฮะเพราะไปห่วงกังวลถึงภาพลักษณ์ ถึงคำวิพากษ์วิจารณ์ที่จะตามมาคนธรรมดาเขาไม่มีความไม่มีความของตรงนี้มากเดีเรียกว่าเขาไม่มีอะไรเสียมากก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่การเตะลูกโทษเข้าให้สําเร็จเนี่ยมันไม่ได้ใช้ทักษาอย่างเดียวไม่งั้นโรนันโดก็าเตะเข้าทุกครั้งไปแล้วแต่ว่าโรนันโดเนี่ยเตะพลาดเยอะนะฮะเมื่อเทียบกับถ้าถ้าเป็นสนามซ้อมอ่ะเตะเข้า 90% แต่ว่าสนามจริงโดเพราะในหน้าที่สําคัญเนี่ยโดยเพราะน้าที่เขาต้องวัดกันด้วยลูกโทษเนี่ย เตะพลาดเยอะเพรา ะ, ระปะัญหาที่ใจแล้วสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งนะฮะเขมีการทำสถิติศึกษาการเตะการเตะลูกโทษในช่วง20่สิปีที่ผ่านมาในศึกสำคัญสาคัญคือบอลยุโรปแล้วก็บอลโลกนัดที่มีการต้องต้องชี้ชะตาด้วยลูกโทษเตะห้าลูกเข้านะพบว่าน่าสนใจเพราว่าอังกฤษนี่นะ เป็นชาติที่เตะลูกโทษเนี่ยผิดมากที่สุดคือแพ้เพระการเตะลูกโทษเนี่ยหครั้งเนี่ยแพ้ห้าครั้งสร้างนะฮะประเทศประเทศใดที่เตะลูกโทษได้ชนะในการเตะลูกโทษมากที่สุดเยอรมันเยอรมันเตะลูกโทษเนี่ยหกครั้งเข้าชนะห้าครั้งผ่านเข้ารอบห้าครั้งอังกฤษตกรอบถึงห้าครั้งเยอรมันเข้ารอบถึงห้าครั้ง อะไรคือความแตกตา่างระหว่าง ก, กเยอรมันครอังกฤษเป็นทีมเวิร์กเขาเพบว่าทีมที่มีการทำงานเป็นทีมเวิร์กเนี่ยแม้กระทั่งการเตะลูกโทษเนี่ยก็มีโอกาสที่จะสำเร็จมากกว่าทีมที่ไม่ค่อยเป็นทีมเวิร์กอย่างอังกฤษเล้พวก เ, เราที่ดูฟุตบอลคงจะทราบว่าทีมเวิร์กนี่สําคัญมากบางครั้งเนี่ยทีมซึ่งอาจจะไม่ไม่มีดาราเลยกลับชนะทีมที่มีซูเปอร์สตาร์ทั้งทีม คุณถ้าคุณคุณคงเคยจําได้ในปี47เนี่ยกรีซเนี่ยเป็นแชมป์บอลโลกยุโรปเป็นแชมป์บอลยุโรปกรีซเนี่ยเป็นทีมบุ้ยที่สุดนะในการจับตารางอัตราการต่อรองคือที่ได้เล็ชัปนคือหนะนึ่งต่อร้อยหนึ่งต่อร้อยไมสเปนโปลตูเกตนี่เพิ่งเป็นเจ้าภาพปีนั้นเนี่ยอัตราการต่อรองสูงกว่าแต่พกว่าปีนั้นเนี่ยกรีซได้เป็นแชมป์บอลยุโรป ไม่มีดาราเลยชนะทั้งฝรั่งเศส ซ, ซึ่งมีซีดานชนไฮะชนะทีมดังๆทีมใหญ่ๆซึ่งมีดาราหรือยังเขาชนะชนะได้ไงในเมื่อคริสเนี่ยไม่มีดาราที่เก่งทีมเวิร์กฮะทีมเวิร์กเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้มันต้องอาศัยทัศนะติอาศัยใจที่ไม่ได้คิดจะเอาดีเอาเด่นคนเดียวนั้นถึงได้จะไม่เก่งนะ ทักษะจะสู้เยอรมันสู้ฝรั่งเศสไม่ได้ทักษะไม่มีฉลาดอาจจะไม่ฉลาดเท่าเขาประสบการณ์น้อยแต่ใจนะซึ่งเทให้กับคณะเทให้กับเพื่อนไว้ใจกันไม่คิดจะเด็งคนเดียวมันก็สามารถจะนำไปสู่ความสำเร็จได้นะพวกเราผูสาาร้างมาบ่ายคอนเสิร์ตเนี่ยมันประกอบไปด้วยดนตรีหลายชิ้นมากทีเดียว ดนตรีจากวงคอนเสิร์ตเนี่ยมันจะพราอดได้มันไม่ใช่เพราะว่านักดนตรีเก่งขับแก้วคนนี้ก็เก่งนี่ก็เก่งไม่ใช่แต่เป็นเพราะว่าเขาประสานงานกันไม่ว่าจะเครื่องกี่ชิ้นหลากหลายกันยังไงแต่พร้อมหลอมใจให้เป็นหนึ่งเดียวกันฟังวัทยากรคอนแทคเตอร์มันก็ทำให้เพลงนั้นพราอขึ้นมาได้ ในเรื่องการทำงานเนี่ยนะก็เช่นเดยกับชีวิตนะก็คือว่ามันต้องอาศัยทักษะติท ด, ด้วยต้องอาศัยใจด้วยนะไม่ใช่แค่ความเก่งอย่างเดียวไม่ใช่แค่ทักษะดีอย่างเดียวองค์กรต่างองค์กรมากมายหลายแห่งเนี่ยถึงแม้ว่าคนทำงานนะอาจจะไม่ได้มีชื่อเสียงจะไม่ได้เป็น มีความโดดเด่นชนิดที่ว่ามีการตามล่าเพื่อที่จะซื้อตัวไปทำงานที่อื่นแต่ว่าเขาก็สามารถที่จะสร้างความสำเร็จได้จากการเป็นทีมเวิร์ซึ่งเป็นเรื่องของทักษะสิทธิ์ด้วยเนะพราะฉะนั้นเนี่ยอาตมาคิดว่าเรื่องของใจเนี่ยสำคัญมากนะและสิ่งที่ช่วยทำให้ใจเราเนี่ย มันเอื้อต่อการทำงานนำไปสู่ความสำเร็จนะก็คือใจที่ได้รับการฝึกฝนโดยเพราะการลดละตาเก่งแต่มีอัตราสูงมันก็ทำให้ทีมฟุตบอลเนี่ยมันไปคนละทิกคนละทางแย่งกันแย่งกันยิงประตูนะแต่ถึงไม่เก่งแต่ว่ามีใจ ล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันนะไว้ใจกันยอมเปิดโอกาสให้เพื่อนได้ทำประตูมันก็ทำให้ทีมนั้นมีความแข็งแกร่งขึ้นมาอุปสรรคที่ทำให้การทำงานเนี่ยในองค์กรเนี่ยมันมีความสาเร็จได้ยากทั้งทั้งที่มีคนเก่งอยู่มากมายเนี่ย เพราะว่าความยึดติดในอัตตาพอมีอัตตาแล้วเนี่ยนะมันก็จะคิดถึงจะเรื่องว่าเราจะดีเราจะเด่นคนเดียวนะมีการยกตนข่มท่านมีการแบ่งเป็นฝั่งเป็นฝ่ายนะจะฝ่ายชั้นจะต้องเด่นจะต้องดีบางทีแข่งกันไปแข่งกันมานะก็ขัดแข่งขัดขากัน หรือว่าพอมีความผิดพลาดก็พยายามโยนโทษคนนั้นคนนี้แทนที่จะร่วมรับผิดนะหรือแทนที่จะกลับมาดูว่าความผิดพลาดเกิดขึ้นที่เราไหมจะได้ช่วยเหลือแก้ไขก็ไปโทษคนอืน่นพอโทษคนอื่นก็อีกฝ่ายก็ไม่พอใจก็จะหาทางโทษกลับมามันก็เลยกลายเป็นการวิวาทปักหมางกันนะอันนี้แหละนะมันเป็น มันเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้การทํางานในองค์กรนี่นนไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรและคนทํางานในสุดก็ไม่มีความสุขนะไม่มีความสุขนี่จะมาคิดว่าสิ่งหนึ่งที่จะช่วยทําให้การทํางานมีความสุขการทํางานประสบความสําเร็จเนี่ยนอกจากการที่เราปรับทัศนคติของงานเพื่อให้เกิดชันท่าในงาน มีความรักในงานที่ทำเห็นคุณค่าของงานไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใดแล้วเนี่ยให้การพยายามที่จะลดละอัตตาของตัวแต่พยายามที่จะมีความห่วงใ ย, ยเพื่อนอาทรเพื่อนที่ร่วมทำงานไม่ว่าอยู่ในฝ่ายเดียวกันหรืออยู่คนละฝ่ายมีความไว้เนื้อเชื่อใจกัน ร่วมปรึกษาหารือฟังกันมันก็จะนำไปสู่ความสำเร็จในงานและนำไปสู่ความสุขมันมีสิ่งหลายอย่างนะที่จะช่วยเตือนให้เรานะตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องนี้ ซิฟจอกเนี่ยนะพวกเราคงรู้จักดีเขามีประสบความสำเร็จนะในการทำงานมากมายแล้วก็อรรมาติเชื่อคิดว่าเขามีความสุขกับการทำงานด้วย<ด>นะเขาพบว่าสิ่งหนึ่งที่ช่วยทำให้เขาเนี่ยทำงานอย่างมีเป้าหมาย ก็คือการที่เขามีเครื่องมือหนึ่งนะในการที่กระตุ้นให้เกิดการตรตรองเกี่ยวกับชีวิตที่ผ่านมาหรืองานที่กำลังทำอยู่สิ่งนั้นเขาคนชาวพุทธเราเรียกว่ามรณสติคือการเรียกถึงความตายตอนที่ s ิฟจอมเนี่ยเขาไปแสดงปัตกถาที่มลัยสแตนฟอร์ด ในในฐานะที่เป็นแขกรับเชิญธีปรีภาษาปริญญาเมื่อปี4ี่เนี่ยตอนนั้นเขาเป็นเขเป็นบรรเลงตักลแล้วก็พูดให้ดีนะว่าพราะว่าในบรรดาเครื่องมือที่มนุษย์เราได้ค้นพบเนี่ยก็พว่าการระลึกถึงความตายหรือเจรรมร น, นัสติเนี่ยมันเป็นอันหนึ่งที่ช่วยทำให้ทให้เขาเนี่ยสามารถที่จะพิจารณาว่าอะไรเป็นสิ่งสำคัญของชีวิต คนเราเนี่ยน ะ, ะการที่เราถ้าเรายังไม่สามารถที่จะแยกแยะความสำคัญในชีวิตได้ไปเน้นถึงความสำเร็จที่เป็นตัวเป็นเงินเป็นทองนะชื่อเสียงมุ่งแต่ความเด่นเฉพาะตัวเนี่ย มันจะทำให้เกิดอปุปสรรคในการดาเนินชีวิตและการทำงานดาเนินชีวิตก็ไม่มีความสุขทำงานก็ประสบความเสเร็จได้ยากเพราะว่าไม่สนใจใครไม่สนใจเพื่อนแต่ติเจ้าเด๋เนี่ยเวลาเขามองไปที่เวลาเขามองตัวเองในกระจกเนี่ยเขาถามเัินว่าถ้าเขายังต้องตายในเร็ววัน เขาจะทําสิ่งที่เขาทําจะทําสิ่งที่ทําอยู่หรือเปล่าถ้าคาตอบตอบว่าไม่และตอบว่าไม่ในหลายวังแสดงว่าสิ่งที่ทํานี่ผมไม่ถูกแน่คาตอบคําถามว่าไม่เนี่ยมันไม่ใช่กค่ว่าจะเอาจะจ ะ, จะทำผลิตภัณฑ์ตัวใดนะจะทุ่มเทการวิ จ, จยัยกับผลิตภัณฑ์ตัวใดแต่หมายถึงว่า เรายังโกรธเขาอยู่ไหมเรายังคิดจะอาฆาตพยาบาทเขาหรือเปล่าหรือเรายังคิดไล่ล่าหาหางเงินหาชื่อเสียงอยู่หรือเปล่าถ้าพิจารณ<ม>าแล้วเราบอกว่าถ้ายะตาวันนี้เนี่ยไอการหางเงินหาทองนี่ฉันไม่ทำํำหรือว่าถ้ายังคิดว่าถ้าจะทะเลาะบอกแหวงกับใครแล้วเกิดตายกันในวันนี้เนี่ยฉันไม่ทําดีกว่า แล้วมันก็ช่วยทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะรับเว้นการกระทำหลายอย่างซึ่งมันไม่มีคุณค่าอย่างแท้จริงบางครั้งคนเราเนี่ยเราจะรู้ว่าอะไรสำคัญกับชีวิตเนี่ยก็เพราะว่าเราเราลึกว่าเวลาเราเหลือเหลือน้น อ, นนอย เมื่อเราเรารู้ว่าเราเวลาเราเหลือน้อยเนี่ยสิ่งที่มันผุดขึ้นมาในความรู้สึกของเราเนี่ยหรือสิ่งที่เราอยากจะทำเนี่ยมันจะกลายเป็นสิ่งที่ ค, ค่อนข้างมันจะเป็นสิ่งสำคัญมีหมอคนหนึ่งนักจี๋ชื่อวิชาร์ดเดียวเป็นชาวเป็นหมอชาวสิงคโปร์แกได้รับเชิญให้ไปพูดในพิธีประสาทปริญญาให้คกับสตีฟจ็อกเนี่ยให้กับนกักศึกษาแพ ริชัดเตียวเนี่ยเป็นคนที่เก่งประสบความสำเร็จในการเรียนแล้วก็เรียนจบด้วยคะแนนที่ดีแกมาเป็นลงุงแกเป็นทำงานลงุงแกเป็นหมออยู่โรงพยาบาลของรัฐอยู่พักใหญ่แล้วก็รู้สึกว่ามันรวยช้า ใจก็เลยออกไปทำงานลงทรายกับชนแล้วก็ไปทำเกี่ยวเรื่องสัญจรกรรมซึ่งรายได้ดีมากแกอยากรวยอยากมีชื่อเสียงใจก็เลยหันชีวิตเนี่ยไปทำอย่างนั้นแล้วก็ประสบความสําเร็จรวดเร็วนะรวยมากมีรถมีเรือย้อมีบ้านหลังใหญ่ซึ่งไม่หามหามไม่ได้งานในสิงคโปร์ แล้วแกก็ดูถูกเพื่อนวนะ่าโง่เพื่อนอยังเป็นทํางานหมออยู่ในกองบงองังคับรัฐช่วยคนยากจนจนแล้ววันหนึ่งแกพบแกเป็นมะเร็งมะเร็งตับถึงตอนนั้นเนี่ยแกตาสว่างเลยเพราะแกรู้ว่าไอ้มะเร็งซึ่งเป็นโรคที่รักษาไม่หายเนี่ยมันทําให้แกเศร้าแล้วแกเพราะเงินที่แกมีทรัพย์สมบัติที่แกมีไม่ได้ช่วยเลยเลยอาจจะช่วยในเรื่องการรักษา แต่มันไม่สามารถช่วยให้แก่หายปวดหัวเศร้าหมองแต่เพราะความตายกาลัางใกล้เข้ามาแกพกว่าสิ่งที่ช่วยแกไม่ใช่รถไม่ใช่บ้านไม่ใช่เงินทองแต่คือเพื่อนเพื่อนที่มีเมตตากรุณามีน้ำหัวน้าใจคนเหล่านี้เนี่ยมาช่วยให้กําลังใจแกมาทำให้แกมีความมีกําลังใจขึ้นมา และแก่พวกเพื่อนเหล่านี้เนี่ยแม้จะจนมีเงินไม่มากเท่าแก่แต่คนเรานี้มีความสุขเพราะเขาได้ทําสิ่งที่มีคุณค่าคือการช่วยเหลือคนที่ประสบทุกข์อาจจะเป็นคนยากจนจนขอได้พบว่าสิ่งที่เขาสแสวงหางมาตลอดเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่สิ่งทําให้เกิดความสุขทิ้แท้มันคือเพื่อ น, นคือมิตรภาพมันคือการทํางานสิ่งที่มีคุณค่า แกมาตาสว่างเกิดปัญญาเนี่ยเพราะว่าเมื่อความตายใกล้เข้ามาถึงรู้ว่าเดินผิดทางแต่แกก็ยังยังยั ง, ย ง, ยงปรับตัวปรับใจได้ทันจึงได้รับเชิญให้มากล่าวให้กับนักศึกษาแพทย์ที่ได้รับปริญญาเพื่อเอาชีวิตเอาประสบการณ์แกเป็นบทเรียนว่าอย่าทำอย่างแก จุนหมายชื่ของเราเนี่ยไม่ใช่เงินทองไม่ใช่ความสำเร็จแต่คือการทำสิ่งที่มีคุณค่าและการมีเพื่อนที่เพื่อเฟือเ่องเพื่อกูนอาตรมาคิดว่าคุณค่าเหล่านี้เนี่ยเราสามารถะเรียนรู้จากจากการทำงานเราสามารถที่จะสร้างมิตรภาพได้จากการทำงานในองค์กรที่เราทำงานอยู่ และสิ่งอันนี้เนี่ยเราไม่ต้องรอให้ตาให้ใกล้ตายก่อนต้องเป็นมะเร็งตับอย่างสติปจอบหรือว่าต้องเป็นมะเร็งอย่างริชาร์ตเตอร์เนี่ยเราถึงจะตาสว่างเราถึงจะรู้อะไรสํารัจกับชีวิตและงานเราสามารถที่จะเตือนตัวเตือนตัวเองได้นะจากการพิจารณาบร์นสติและไม่ทําให้เราเนี่ยไม่ไปหลงเพลินกับสิ่งที่มันตอบสนองความ สอบสวน e อีโก้หรืออัตตาคนเราเนี่ยการจเจุลมองนัสติี ม, มันช่วยอย่างนึงคือมันช่วยทําให้อัตตาเรเล็กลงมันช่วยทําให้เราเขิมเริ่มน้อยลง ม, มันช่วยทําให้เราเห็นคุณค่าของสิ่งที่ไม่ใช่เงินทองมากขึ้นคุณค่าของธรรมะคุณค่าของมิตรภาพคุณค่าการทําความดีาการ ท, าาที่ได้มีน้ําหม่น้ออนําใจต่อเพื่อนอาตมาเคยอบรมนะอบรมครู โรงเรียนหนึ่งวันสุดท้ายคือสุดท้ายเนี่ยก็ให้แกให้ทุกคนเนี่ยลองลองทําใจเสมอกว่ากําลังจะตายแล้วก็ตายไปแล้วแล้วก็นึกถึงงานศพของตัวให้ทุกคนนึกถึงงานศพของตัวแล้วก็นึกถึงเพื่อนร่วมงนานว่าเมื่อเขามาพูดต่อหน้างานศพ เราอยากจะให้เพื่อนเนี่ยพูดอะไรเกี่ยวกับตัวเราจินตนาการว่าจะให้เพื่อนเนี่ยพูดอะไรเกี่ยวกับเราในงานสดแต่แล้วพอพอเสร็จกิจกรรมก็ให้เขียนว่าอยากจะให้เพื่อนพูดอะไรแล้วก็ถามต่อไปว่าถ้าจะให้เพื่อนเขาพูดอย่างนั้นกับเราเนี่ยเช่นพูดว่าเราเป็นคนเสียสละเป็นคนดีเป็นคนที่เออฟือเนี่ยเราจะทำอย่างไรถึงจะให้เพื่อนพูดอย่างนั้นได้ แต่ทุกคนก็พบว่านะความเอื้อเฟือ้อความมีน้ำใจความเสียสละนะความใจกว้างเนี่ยมันสำคัญมากในการทำงานถ้าเราอยากจะให้เพื่อนพูดถึงเรานะในงานศพด้วยความระลึกนึกถึงด้วยความซาบซึ้งเนี่ยเราต้องทำเสียแต่วันนีนะ้มีน้ำใจกับเขา เตือเตื้อเขาช่วยเหลือกันอดกลั้นต่ออารมณ์นะไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทำให้มันช่วยทําให้พฤติกรรมไม่เปลี่ยนนะฮะความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานเนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนเปลี่ยนเพราะเปลี่ยนเพราะเมื่อแล้วเรถึงความตายถึงแม้แว่าพวกเ่านั้นอายุยังไม่มากยี่สิบกว่านะแต่ว่าพอรูลึกแบบนี้แล้วมันทําให้ได้คิดขึ้นมา ใ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะสมาชิก็มีประโยชน์มีคุณค่ามากนะสำหรับการทำงานและการดำเนินชีวิตก็ใช้เป็นหลักผสมผสาวแล้วนะฮะก็อยากจะฝากยุติเพียงเท่านี้เผื่อว่าถ้ามีประเด็นใดที่สนใจอยากจะถามก็ถามนะเพราะมีเวลาเหลืออยูเองน่อ ว่า wow.